สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยบิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน20กฎทองคํากฎข้อที่7เรียกว่ากฎแห่งของประธานครับขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าได้ทรงโปรดประธานของประธานสารพัดหลายอย่างแก่พวกเรามากมายนักเป้าหมายก็เพื่อให้เราสามารถไปช่วยคนอื่นได้สร้างสารรค์คนอื่นและบํารุงเลี้ยงคิสจักรของพระเจ้าให้เติบโต พี่น้องครับโดยของประทานนี้เองทําให้เราทั้งหลายได้เห็นถึงแผนการอันเลิศประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อคริสตจักรอันเป็นที่รักของพระองค์ในวันนี้นะครับเราจะมองของประธาน3หลักการด้วยกันครับซึ่งเป็นที่มาของของประธานและเมื่อเรารู้กฎแห่งของประธานแล้วและเราสามารถใช้กฎนี้ได้อย่างถูกต้องเรื่องลงตนอยู่ในกฎนี้เมื่อเรารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท่ามกลางพี่น้องทั้งหลาย พี่น้องประชากรของพระเจ้าเราก็จะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆและในทางกลับกันครับของประทานเหล่านี้ก็จะเสริมสร้างธรรมพิกนชนของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าคนอื่นๆตลอดจนพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรนั้นก็จะเกิดเป็นผลดีทวีมากขึ้นพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าของประธานนั้นใช้เพื่อคนอื่นใช้เพื่อคริสตจักรของพระเจ้า ให้เรามาเรียนรู้หลักการครับประการแรกการใช้ของประธานนั้นเราต้องรู้ว่าเราเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่ใช่เป็นเจ้าของพอะนะระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อที่10ครับโปรดฟังพะะงระเจ้าของพระเจ้าตามซึ่งทุกคนได้รับของประธานที่ทรงประธานให้แล้วก็ให้ใช้ของประธานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีแจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีแจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าหลักการแรกครับเราเป็นแค่ผู้รับมอบฉันทะไม่ใช่เจ้าของงานเพียงครับเมื่อเราเห็นชื่อเราคิดถึงชื่อเราก็าเห็นความหมายของชื่อ คำว่าผู้รับมอบฉันทานั้นเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลทรัพย์สินของที่นายมอบให้เท่านั้นไม่ใช่เป็นเจ้าของครับเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านี้ที่นายมอบให้ดูแลเขาไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินสิ่งของเหล่านี้เขาเองจะต้องแจกจ่ายใช้สอยตามอำเภอใจของนายครับเขาจะใช้จ่ายใช้สอยตามอำเภอใจของตนเองไม่ได้มิฉนั้นแล้วหากทาเช่นนั้น แสดงว่าเขาทําเกินเลยหน้าที่ของตัวเองครับและในที่สุดนายก็จะให้เขาออกจากงานพี่น้องครับเราต้องถือว่าเราเป็นแค่ผู้รับมอบฉันทะไม่ใช่เจ้าของงานมีผู้รับใช้พระเจ้าและคริสเตียนหลายคนครับเมื่อเขาได้รับของประทานอย่างใดอย่างหนึ่งจากพระเจ้าเข้าของประทานนี้มาทําประโยชน์ส่วนตัวรักษาตําแหน่งของตัวเองเพิ่มพูนความร่ํารวยของตัวเองลักษณะนี้ ก็เป็นการทำตัวเองให้เป็นเหมือนกับเจ้าของงานกอบโกยผลประโยชน์กำไรจากงานที่ได้โดยใช้ของประทานของพระเจ้าเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะใช้สิ่งต่างที่พระเจ้าประทานให้จะเป็นสติปัญญาก็ดีความรู้ความสามารถก็ดีกำลังก็ดีฐานะก็ดีโอกาสและสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้ก็ดีพระเจ้าประทานให้ ในฐานะที่ตัวเองนั้นเป็นแค่ผู้รอบมอบฉันทะนะครับเป็นแค่ผู้รับมอบฉันทะสิ่งเหล่านี้เป็นของมตรฐานที่ใช้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามน้ำมาัตไถของพระเจ้าครับพระราชกิจของพระเจ้านั้นทำด้วยวิธีการของพระองค์ในขณะเดียวกันต้องใช้คนที่มีวิญญาณแห่งกันรู้สึกรู้ตัวว่าตัวเองเป็นแค่ผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น และพี่น้องครับหากเป็นเช่นนี้ผู้รับมอบฉันทะคนนี้ก็จะทําให้เกิดเป็นที่สรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการรับใช้พระองค์เราจะต้องเป็นผู้รับมอบฉันทาที่ดีครับพระเจ้าทรงพระกรุณาแก่เราพระองค์ทรงประธานของประธานและพระพรมากมายในชีวิตของเราแน่นอนครับพระเจ้าเองไม่เคยทรงให้ผู้รับมอบที่ดีนั้นต้องผิดหวังมีวันหนึ่งครับพระองค์จะตรัสกับเราว่า ดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตซ์ซื่อเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดพิ่มผีข้อนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่2 5้าข้อที่2ี่อนะครับมีวันหนึ่งพระองค์จะตรัสกับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทาที่ดีว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตว์ซื่อพี่น้องครับ การแรกแห่งหลักการใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเราก็คือสติปัญญาบางคนก็มีกำลังมากมีความแข็งแรงมีเรี่ยวแรงมีฐานะภาพที่ดีมีความสามารถหลายอย่างโอกาสสิทธิพิเศษต่างๆบางคนอาจจะเป็นเงินเป็นทองที่พระเจ้าได้มอบให้เขาจะต้องใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหะครับไปเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในฐานะผู้รับมอบฉันทะไม่ใช่เจ้าของครับ และไม่ใช่แสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองนั่นแหละครับคือกฎประการแรกให้เราสานึกตระหนักว่าเราเป็นแค่ผู้รับมอบฉันท์ทาที่ดีและสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับเราในวันสุดท้ายก็คือเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัตซ์ื่อจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดหลักการประการที่2ของการใช้ของประทานครับก็คือเราจะต้องใช้ของประทานอย่างสัต์ซื่อและฉลาด เพราะจะนันพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมสองตอนด้วยกันครับ1โครินโบที่4ข้อที่2อฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนโปรดฟังอีกครั้งฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนพระธรรมอีกตอนหนึ่งในมัทธิวบทที่24่สข้อ45ครับใครเป็นทาสซื่อสัตย์และฉลาด พี่น้องครับจากพระครัมภีร์ทั้งสองข้อนี้เราเห็นว่าในขณะที่เราเป็นผู้รับมอบเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าเป็นผู้อารักขาของประธานและสิ่งต่างที่พระเจ้าได้มอบมาให้กับเรานั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติที่สุดยอดส่วนตัวครับคุณครับส่วนตัวที่สําคัญมากๆกก็คือต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ซื่อสัตย์และฉลาดพี่น้องครับของประธานนั้นการใช้ของประธานต้อง ไว้ใจได้ซื่อสัตย์และฉลาดพระเยซูปรารถนาที่จะให้ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเป็นคนไว้ใจได้ซื่อสัตย์และฉลาดครับนี่เป็นการกระทําที่เสมอภาคในการรับใช้เป็นคนที่ไว้ใจได้ก็คือเป็นผู้ที่สามารถไว้วางใจได้เป็นผู้ที่เสมอต้นเสมอปลายเป็นผู้ที่คาดหวังอนาคตได้ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่เมื่อรับงานแล้วจะดําเนินการให้สําเร็จ นั่นคือความไว้วางใจไว้วางใจได้ซื่อสัตย์หมายความว่าทําจนสุดความสามารถของตัวเองคนจีนโบราณมีคําว่าใครก็ตามที่ซื่อสัตย์เขาทําสุดสุดจิตสุดใจทําแบบที่สุดพี่น้องครับถ้าเราซื่อสัตย์ขอพระเจ้าช่วยเราครับให้เราเป็นคนฉลาดเพราะว่าถ้าซื่อสัตย์แล้วขาดความเฉลียวฉลาด ก็เหมือนกับพ่อค้าคนหนึ่งพยายามใช้ชีวิตของตัวในการทำงานยามค่าคืนก็ไม่ย่อท้อทำงานจนดึกจนดื่นแต่ไม่รู้จักใช้สติปัญญาความคิดที่ดีเขาก็ประสบความสำเร็จไม่ได้ต้องใช้สมองกับใช้ความอุตสาห์ร่วมกันไม่มีพ่อค้าคนไหนครับทำแค่ชื่อสัตว์ต่อหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ใช้ความคิดความสามารถไม่ใช้แรงสมองความคิดของตัวเอง พี่น้องครับชื่อสัตว์บวกความคิดที่ดีวิธีการที่ดีและเป็นคนที่ไว้วางใจได้จึงจะเป็นผู้รับมอบฉันทะาที่ดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประการที่3ครับในเช้าวันนี้ในการที่เราจะดูแลของประธานทำให้ของประธานนั้นได้เกิดผลมากมายหลักการใช้ของประธานก็คือว่าต้องพัฒนาของประธานให้ได้กาไร เพราะเจ้นพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ 16-18 ครับคนที่ได้รับ5ตารางนนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันทีได้กําไรเท่าตัวคนที่ได้รับ2ตารางนนั้นก็ได้กําไรเท่าตัวเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตารานเดียวขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้พี่น้องครับเป้าหมายที่เจ้าของเงินหรือนายนั้นต้องการ ให้ผู้รับมอบฉันท่าหรือคนต้นเรือนของพระองค์ไปทำอะไรกับตะลันที่เขาได้มาไปทำอะไรกับของประธานที่เขาได้มาคำตอบก็คือว่าให้ได้กำไรให้เกิดผลให้เกิดผลมากถวายพระเจ้าพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้าก็เปรียบเสมือนกับเป็นการลงทุนครับได้กำไรเราจะได้กำไรตรงไหนสูงสุดเราต้องไปลงทุนตรงนั้น ตรงไหนที่มีความเสี่ยงมากๆเราก็จะต้องระมัดระวังตรงไหนที่ทำค่าขายแล้วขาดทุนเราก็ไม่ลงทุนพี่น้องครับนั่นเป็นเรื่องปกติที่คนงานของพระเจ้าหรือผู้รับมอบฉันทานั้นจะต้องคิดใช้ความสามารถความฉเฉลียวฉลาดซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีบวกกับวิธีการที่ถูกต้องบวกกับจิตใจที่ซื่อสัตย์ ก็จะสามารถพัฒนาของประธานนั้นให้เกิดกําไรในงานของพระเจ้าในแผ่นดินของพระองค์เป้าหมายของของประทานนั้นคือกําไรกําไรในที่นี้หมายถึงการเพิ่มพูนขยายแผ่นดินของพระเจ้ากําไรในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณที่เราทั้งหลายจะนาไปมอบกับพระองค์กาไรในที่นี้หมายถึงคนที่จะได้รับความรอดที่เขารอคอยการประกาศพระวจนะประกาศพกิติคุณของพวกเราอยู่ พี่น้องครับผู้รับมอบของประธานเมื่อเขายิ่งใช้ของประทานของประทานก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นอย่าไปฝังดินนะครับการฝังดินนั้นเป็นสิ่งหรือเป็นการกระทาที่น่าสงสารน่าสมเพชที่สุดพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเรามีหลายเหตุผลครับในการที่เราจะเอาของประทานไปฝังดิน<อ>เหตุผลแรกเลยก็คือว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีของประทานอะไรบ้างหลายคนน่าเสียดายนะครับ ไม่ทราบว่าตัวเองมีของประทานอะไรบ้างถามว่าทําไมไม่ทราบครับเพราะว่าไม่ลองหรือไม่กลา้าหลายๆครั้งทีเดียวในโบสถ์ครับมีคนเชิญเราสนับสนุนเราได้เตรียมเราไว้เพื่อที่จะใช่ของประทานแต่ว่าเราไม่ยอมเรากลัวเราไม่กลา้าพี่น้องครับอันนั้นเป็นประการแรกประการที่สองก็คือว่า บางคนนั้นได้เคยใช้ของประธานไปแล้วแต่ว่าเกิดการท้อใจครับถามว่าทำไมท้อใจครับเพราะว่าคนรอบข้างไม่ให้กำลังใจกำลังใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาของประธานพี่น้องครับเปิดโอกาสให้คนในโบสถ์หรือพี่น้องของเราได้มีโอกาสที่จะพัฒนาของประธานนอะครับหลายครั้งทีเดียวบางคนต้องการ r a d y made คือใช้ได้เลย แต่ไม่พัฒนาก็จะไปเอาจากที่อื่นมาบ้างเอาจากคนแถวแถวรอบข้างบ้างซึ่งทำให้ไม่เกิดระบบการพัฒนาหรือสร้างคนครับนั่นคือสิ่งที่เป็นประการที่สองประการที่สก็คือเราเองนั้นจะต้องหาคนที่มีของประทานพี่น้องครับในคริสตจักรนั้นพระเจ้าได้ทรงประทานคนที่มีของประทาน หลายครั้งทีเดียวเราไม่ได้หาครับเมื่อไม่ได้หาก็เท่ากับไม่ได้สร้างไม่ได้เปิดโอกาสทำให้คนที่มีของประธานนั้นก็ไม่สามารถใช้ของประธานนั้นได้นั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจที่สุดครับแล้วก็มีแต่คนที่วนเวียนไปมาซ้าำเดิมไม่มีใครที่หน้าใหม่ไม่มีคนที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นสาวก ใช้ของประทานตามน้ำประทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การใช้ของประทานในขิสจากนั้นเกิดผลมากถวายแด่พระองค์อามน